ขอกราบบูชาคุณพระรัตนตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข อ, อกาศพระอาจารย์เปสารครูบาจารย์เพื่อนศาสธรรมิกเจริญพร อ, อยังแม่ชีญาติธรรมทุกท่านฟังธรรมกันตามสบายเมื่อกี้เราก็ได้สวดมนต์ผู้ชี้ขุมทรัพย์คนเราทุกค น, นจะมีอัตตามากบางครั้งถ้าครูบาจารย์สอนเราตรงๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ผลต้องใช้อุบาย หรือวิธีการต่างๆให้เราคิดได้เองการสอนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือการสอนที่ผู้สอนไม่รู้ว่าถูกสอนอันนี้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยสอนได้ผลวันนี้อาจารยมาก็ตั้งใจจะนําเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์โดยวิธีพิสดารมาเล่าให้ฟังอาจจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมเพราะเรื่องพวกนี้หาฟังยากเรื่องที่อาจมาจะเล่าเนี่ยบางบางคนอาจเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว บางคนก็อาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนสมเด็จพ้ชานโตผมหลังสรีจเจ้าวาะวะัลคังเนี่ยท่านจะมีอบยสอนพระในวัดหรือสอนญาติโยมที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนบางครั้งคนที่เสียใจเศร้าโศกเนี่ยท่านเทศสามารถทำให้หัวเลาะได้หรือบางครั้งคนที่หลงลืมตัวเนี่ยท่านก็พูดให้เกิดสติได้ท่านมีปัญญามากมีเรื่องเล่าว่าอยู่ครั้งหนึ่ง ที่จังหวัดสมุทรสงครามอำเภออัมพรวามีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ร่ำรวยมากแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญแต่ก็มีข้อเสีย ค, คือเศรษฐีคนนี้นจะเป็นคนที่ติดในยศถาบรรดาศักดิ์คือมีหน้ามีตาใหญ่โตเวลาทําอะไรต้องใหญ่ๆและคํานึกถึงหน้าตาตัวเองมากและด้วยกิจศักดิ์ของสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นพระราชาคณะ แล้วท่านเนี่ยเทศการมหาชาติเนี่ยยอดเยี่ยมมากสมัยนั้นน่ยหาใครเทศก็สู้ทันยากเศรษฐีผู้นี้จึงสนใจและได้ทําเรื่องมาขอให้สมเด็จโตเนี่ยมาเทศการมหาชาติที่บ้านตนสมเด็จโตก็รับปากเศรษฐีก็เ ป, ป่าประกาศให้รู้กันทั่วอาเภอเลยแล้วก็จัดงานที่ใหญ่โตเชิญชวน คนที่รู้จักน่มากันเต็มเงาเต็มบ้านตัวเศรษฐีเองก็เจ้ากียวการสั่งการเพื่อทำตัวเด่นตลอดเวลาแล้วก็คาดหวังว่าสมเด็จโตเนี่ยจะต้องมาโดยขบวนเรือพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่สองพร้อมด้วยพระและเนมจำนวนมากแน่นอนจึงเกิดความภาคภูมิใจมากแล้วก็เตรียมเครื่องการเทพไว้มากมายเลยเือให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทได้แล้ว ก็มีเรืออยู่ลํานึงเรือจ้างเลี้ยวมาที่คุ้งน้ําหน้าบ้านของเศรษฐีตัวเศรษฐีเองก็ไม่สนใจนะไม่คิดว่าจะเป็นสมเด็จโตจนเรือลํานั้นมาใกล้ๆหน้าบ้านเพื่อเศรษฐีเห็นข้าวจาได้ออกสมเด็จโตมาแล้วสมเด็จโตมาแล้วเศรษฐีเห็นสมเด็จโตมารูปเดียวแต่งตัวก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ ว่าจะต้องมาแบบใหญ่ยิ่งใหญ่ศรัทธาเขาเศรษฐีตกหายวูบไปเลยศรัทธาตกแล้วตอนนี้เศรษฐีแต่ด้วยอาศัยว่าเป็นเจ้าภาพตามมารยาทจึงนิมนต์สมเด็จโตไปพักลแล้วถึงเวลาก็นิมนต์ท่านมาเทศแสดงธรรมตัวเศรษฐีเองเนี่ยตอนที่ศรัทธาตกแล้วก็เข้าไปเข้าไปในห้องที่เก็บของเครื่องกันเทศที่จะนามาถวายสมเด็จโตเนี่ยเศรษฐีเอาออก ตั้งหลายส่วนเห็นว่าไม่สมควรได้เยอะแล้วก็ไม่ยอมไปฟังธรรมนั่งอยู่ในห้องนั่นแหละสมเด็จโตท่านก็เทศไปเรื่อยแต่การเทศของท่านเนี่ยลุ่มลึกมีสาระน้ําเสียงไพเราะเศรษฐีตอนแรกก็ไม่ศรัทธาพอฟังฟังไปแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากเดิมตอนแรกที่เอาเครื่องการเทศออกก็มาใส่เหมือนเดิมแล้วก็ลุกมานั่งฟังธรรมจนจบคันสมเด็จโตแสดงธรรมจบแล้วเศรษฐีก็นํา เครื่องการเทศบัถวายสเปตุรรับแล้ว <S <S ก็บอกเศรษฐีว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มาเอาเครื่องการเทศเหล่านี้นะแต่เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนใจบุญแต่ยังขาดศรัทธาแล้วอยากฟังธรรมจากราชาคณะจึงมาแสางธรรมให้ฟังแล้วก็สอนธรรมเศรษฐีให้มีศรัทธาอย่าไปติดวัตถุอย่าไปติดหน้าตา ชื่อเสียงราบยศแล้วให้เอาเครื่องกันเทศเหล่านี้เอาไปให้คนจนที่อยู่บริเวณนั้นแล้วสิ่งใดที่บอกกับสามณะก็ให้ถวายพระในเราแวแกนั้นหลังจากสอนเสรษฐีเสร็จตัวสมเด็จโตก็นั่งเรือจ้างเนี่ยกลับโดยไปสนใจเสรษฐีว่าจะต้องนาเรือไปส่งแต่อย่างใดหลังจากนั้นเศรษฐีใหญ่แห่งอำเภออัมพาวาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอันนี้พระบายสอนธรรมของสมเด็จโตที่ไม่เหมือนใคร ถ้ามีเรื่องเล่าว่าตัวสมเด็จโตเองเนี่ยด้วยความที่ท่านพระเจ้าวาวดอะละังกรพระในวัดบางครั้งสมเด็จโตปรึกษาอะไรหรือทํางานอะไรเนี่ยพระก็จะบอกว่าดีแล้วดีแล้วสมควรแล้วทุกครั้งไวไม่มีใครขัดคอท่านเลยหรือปฏิเสธอันนี้สร้างความอึดอัดใจกับท่านมากจนอยู่มาวันหนึ่งท่านก็ได้คิดวิธีที่จะทดสอบพระในวัด ให้รู้ว่าใครมีใครมีความจริงใจบ้างขึ้นมาได้คือวันนั้นเนี่ยมีญาติโยมเนี่ยนำแกงกุลเซนมาถวายม่อใหญ่เลยสมเด็จโตก็สั่งให้พวกพวกลูกศิษย์เนี่ยนำกระทะใบใหญ่มาแล้วก็นำแกงบุลเซนเนี่ยเทลงไปในกระทะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลงไปหาผักบุ้งหันห่นหั่นหนเสร็จแล้วก็มาใส่ในกระทะเนี่ย แล้วก็เ อ, เอาเอาอาหารที่โยมมาถวายเนี่ยเทลเทรวมลงไปทําให้อาหารน่าไม่น่ากินเลยตอนนี้รสชาติของพีลึกน่าดูหลังจากแกงบุ้นเส้นกระทะใหญ่เสร็จแล้วสมเด็จโตก็ให้เนยนายประกาศบอกว่าตอนเพลเนี่ยให้พระเนี่ยทุกลูกในวัดออกมานํานำแกงบุ้นเส้นเนี่ยคือใช้คําว่าแกงรออ้อนนี่ละกันท่านทำเองกับมือให้มาลับทุกรูปนะ ถึงเวลาฉันเพลเงพระเนในวัดก็นำปิ่นโตนำแกงเนี่ยไปไปฉันหลังจากนั้นตอนเย็นระหว่างที่จะทำวัดเย็นตัวสมเด็จโตเองก็ไปยืนรอที่หน้าโบสถ์แล้วท่านก็ถามพระทุกรูปอะที่ขึ้นมาในโบสถ์ว่าเป็นยังไงบ้างจ้าแกงล้อของฉันอร่อยดีไหมพระก็บอกอร่อยดีครับทุกรูปเลย จนมาถึงหลวงตาที่บวชมาหลายพรรษ า, าสมเด็จโตก็ทักเป็นไงขวัตตาอาหารที่ฉันทำเองวันเนี้อร่อยไหมขวาตาก็มองหน้าสมเด็จโตแล้วค่อยตอบว่าไม่ไหวพระเดชพระคุณท่านกระผมเนี่ยเทให้หมาหมามันยังไม่กินเลย สมเด็จโตก็พนมมือสาธุหัวตาเนี่ยเป็นพระแท้แท้มีศีลบริสุทธิ์ดีจ้าสาธุและคืนวันนั้นเองหลังจากทำวัดเย็นเสร็จสมเด็จโตท่านก็พูดถึงเรื่องการโกหกการมุสาให้พระและเนในวัดฟังและชี้โทษแล้วกล่าวยกย่องหัวตาว่าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ไม่บุสาคืออร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยอันนี้ปิวธาหอนแล้วไปดูายในการสอนธรรมของท่านซึ่งเรื่องนี้ใครง่ายคิดว่าคนเราเนี่ยบางครั้งมกักจะประจบ ป, ประแจงคนที่มีอำนาจคนที่เราหวังผลประโยชน์ได้แม้แต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ดีเราก็ส่งเสริมว่าดีอันนี้เป็นทุกทั่วไปนะไม่ว่าจะทางทางโลกก็ทางธรรม ทางโลกผู้คนก็ต้องประจบเจ้านายเพื่อเจ้านายรักไม่กล้าหัดใจเพราะแต่ละคนก็มีกิเลสเหมือนกันแต่ก็มีบางคนนะที่มีความเที่ยงธรรมคือประจบก็อาจจะไม่ชอบก็ได้อย่างตัวอาตมาเองเนี่ยก็จะขอพูดถึงพระาจาไปสารก็แล้วกันเพราะตัวอาตมา จ, จะใกล้จะศึกษาอาจารย์มากบางครั้งอาตมาก็ประจบอาจารย์เหมือนกันแหละแต่ประจบแบบน่ารักคือไม่หวังผลประโยชน์อะไรจากอาจารย์ คือลูกศิษย์บางครั้งก็ประจบอาจารย์แต่ว่าถ้ามากไปมันล้ําเส้นมันจะเป็นแบบสอพอเรียหวางผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่บางครั้งอาจารย์ถ้าท่านมาถามบัตรมาบางเรื่องอย่างตั้งชื่ออมาไม่เห็นด้วยมาก็แย้งท่านเลยว่าอาจารย์ตั้งชื่ อ, อย่างนี้ไม่ถูกนะแต่ขออาจารย์ดีอยู่แล้วมาตรฐานแต่บางเรื่องเนี่ยอาจารย์เขาก็คอยตามว่าดีๆแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราเสนอความคิดอะไรไม่ค่อยได้หรอกเจ้าว่าตัดสินใจแล้วก็คือพูดไม่ได้ และอาจารย์ท่านก็ให้ลูกศิษย์ในวัดเนี่ยมีความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่มีการครอบงําใดทั้งสิน้นก็ต้องทําตามท่านแล้วกระท่านก็ไม่ชอบด้วยให้ใครมาประจบเพราะว่าคนเราจะดูผลงานก็ดูที่การการะทําคือพิสูจน์ตรงผลงานนั่นแหละอันนี้เห็นได้ทุกคนอันนี้ก็เป็นใบสอนธรรมของท่านให้เราพัฒนาตัวเองให้ได้ถ้าเราไม่ประจบเลยเนี่ยเราก็เป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นเด็กที่ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ก็ไม่ดีเหมือนกันประจบมากไปก็ไม่ดีพอสมควรให้น่ารัก ถ้ามากไปก็ไม่ดีสมเด็จโตเนี่ยท่านมีไหวพริบปัญญาปัญญามากมีอยู่ครั้งหนึ่งมีบาทหลวงมาคุยธรรมะกับท่านท่านก็ตอบปัญหาธรรมะต่างเนี่ยจนคณะบาดหลวงเนี่ยทราบซึ้งใจแต่กลุ่มบาทหลวงก็ยังไม่เชื่อว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านคงมีความรู้แต่ธรรมะแต่ทางโลกท่านคงไม่รู้หรอกเพราะบวชบวชมาตั้งแต่เด็กท่านก็บอกว่าอย่างที่ ประเทศอเมริกาและยุโรปเนี่ยก็เชื่อว่าโลกกลมแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังเชื่อว่าโลกแบนมีปลาอานอนนุนอยู่สมเด็จโตท่านก็บอกว่าประท่านเนี่ยรู้ยิ่งกว่าโลกกลมอีกท่านยังรู้เลยว่าจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนพวกกลุ่มบาทหลวงถึงกับอึง้งเหมือนหน้าตาบอกว่าเหมือนไม่เชื่อสมเด็จโตท่านก็ยิ้มๆแล้วท่านก็เดินพากลุ่มคณะบาทหลวงเนี่ย มาแถวหน้าโบสแล้วก็ท่านก็ใช้ไม้เท้าเดีย่ยทิ้มไปที่ดินตรงนั้นแหละแล้วบอกตรงนี้แหละคือจุดศูนย์กลางของโลกสร้างความ ต, ตกตะลึงให้กับคณะบาดหลวงก็ไปไปได้ยังไงสมเด็จโตก็อธิบายว่าในเมื่อพวกท่านบอกว่าโลกกลมท่านก็ลองขีดเส้นจากจุดนี้แล้ ว, วกกลับมาหาจุดที่ท่านเนี่ยชี้ไม้เท้าก็จะ ก, กลมจริงๆพวกกลุ่มบาดหลวงจึงได้สติ และเห็นตามด้วยแล้วก็ชื่นชมในไหวพริบปฏิญาณของท่านสมเป็นโตจะมีหลายเรื่องนะฮะที่ว่าท่านสอนธรรมะสอนพระสอนโยมวันนี้อาตมาก็เล่าเรื่องสเป็โตแค่นี้ก่อนจะไปเล่าเรื่องครูบาอาจารย์คนอื่นมั่งต่อไปจะไปเล่าเรื่องหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลวัดบุรพารามท่านเป็นลูกศิษย์ลูกแรกของหลวงปู่มั่นท่านจะเป็ น, ปนพระที่พูดน้อยเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ ที่มีคนนับถือมากสมัยก่อนท่านเนรทุ ด, ดงตอนนั้นท่านคงอายุไม่มากเท่าไหร่ท่านมาจังหวัดสุรินทร์ตำบลหนองสเสม็ดเป็นสนับป่าขณะนั้นก็มีนักเลงอรารพานอยู่กลุ่มหนึ่งนักเลงกลุ่มนี้ร้ายกาจมากขึ้นชื่อเรื่องความโหดหลร้ทารุนเปียดเบ็นคนอื่นหากินอยู่ละแวกชายแดนกัมพูชากับไทยพอกลุ่มนักเลงเนี่ยได้ยินว่ามีพระทุดงมา ก็อยากจะได้ของดีไปป้องกันตัวสองทุ่มคืนนั้นนักเลงกลุ่มนี้ก็มากัน5คนพร้อมอาวุธครบมือสมัยก่อนสองทุ่มเนี่ยก็ถือว่าดึกแล้วนะสมัยก่อนเป็นป่าไม่ได้เป็นเมืองแบบตอนนี้หัวหน้านักเลงมาถึงก็เข้ามาหาหลวงปู่ดุลเลยแล้วก็บอกว่ากับผมที่มามาหาอาจารย์ครั้งนี้มาด้วยความนับถือ อยากจะได้ของดีคาถาคมไว้ติดตัวเพราะพวกกับผมเนี่ยใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายทำกลางคมดาบแล้วก็อาวุธต่างๆจึงอยากได้ของดีไว้ติดตัวอาจารย์มีให้ไหมครับหลวงปู่ดูลก็บอกว่าของดีมีให้นะไม่ยากหรอกแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าไม่ทําตามที่สอนเนี่ย มันจะเกิดอาถรรพ์เข้าตัวเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นมาได้พวกคาถาคมทุกชนิดก็ต้องอาศัยพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความสงบความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการนั่งสมาธิถึงจะมีพลังจิตขึ้นมาได้ถ้าพลังจิตไม่พอคาถาคมก็ไม่ได้ผลแล้วจะเกิดโทษขึ้นมาได้กลุ่มนักเลงได้ฟังดังนั้น ด้วยความที่อยากจะได้ของดีจึงยอมทําตามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็ให้นั่งสมาธิไปแล้วี0บนาทีกลุ่มนักเรียนก็นั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธพุทโธ20นาทีผ่านไปนักเรียนกลุ่มนี้ก็เกิดปิติสาบซ่านขนลุกขนพองเกิดนิมิตเห็นภาพต่างๆที่ตัวเองเคยทามาเห็นวัวควายที่ตัวเองฆ่า เห็นคนที่ตัวเองทําร้ายทุลนทุลายเห็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆจึงเกิดความสกรธสังเวชเกิดความกลัวหลวงปู่ดูลก็บอกว่าให้ทําต่อไปจะพ้นจากอารมณ์พวกนี้ได้คืนนั้นกลุ่มนักเลงฉกาจจึงนั่งสมาธิยันสว่างเลยเช้าวันใหม่ชายทั้งห้าได้เปลี่ยนเป็นคนละคนจากตอนแรก ที่จะมาเอาของดีตอนนี้เกิดเห็นเห็นคุณเห็นโทษเห็นบุญเห็นบาปที่ตัวเองเคยทําจึงเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ไม่เอาของดีแล้วแล้วเข้ามาสัญญากับหลวงปู่ดูลว่าจะเลิกทําชั่วเลิกเกาะกับนังเขนนังเด็กขาดจะเป็นชาวผู้ที่ดีแล้วก็ลาหลวงปู่ดูลกลับไปอันนี้เป็นอุบายสอนทางของท่านซึ่งก็คล้ายกับหลวงปู่ดูวัดตแก่หลวงปู่ดูเนี่ยเคยสอนทางที่มา อ, าอยู่คนหนึ่ง โดยให้นั่งสมาธิวันละหทีขี้เมาเห็นว่านั่งสมาธิวันละหทีเดีย่ยมันไม่ยากและเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายก็เลยรับปากหลวงปู่ไปแต่คนสมัยก่อนมีสัจจานะพอรับปากเราต้องทำนั่งสมาธิไปวันละหทีทุกวันทุกวันทุกวันก็นเกิดอิส่งขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งขี้เมาก็าเกิดจิตรวมได้สมาธิที่ขึ้นมาอารมณ์ปิติซาบาน อิ่มอกอิ่มใจตอนนี้จากเคยนั่งห้าทีก็กลายเป็นเพิ่มครึ่งชั่วโมงนั่งไปชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจากเคยติดเหล้าก็กลายเป็นคนเลิกเหล้าเพราะกิเลสติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันกิเลสหยาบสู้อารมณ์ที่ได้จากสมาธิไม่ได้หรอกห่างกันมากมันเป็นอารมณ์ที่ปราณีความสุขที่ลึกล้ํากว่าความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิดี่ะมันเย็นอกเย็นใจ เป็นาสุขที่ปานนี้กว่าเยอะจึงเลิกเลิกเลยตอนหลังกลายเป็นคนเลิกเหล้าเพราะอุบายสอนทางผลหลวงปู่แท้แท้ถ้าหลวงปู่ขอให้ขี้เมาเนี่ยถือศี่ห้าหรือเลิกเหล้าอะ่ะมันคงไม่เลิกหรอกเพราะลึกๆคนเราจะดื้ออยู่เมียตาแต่ถ้าสอนแบบนี้มันไม่รู้ว่าถูกสอนเนี่ยทําได้เองอันนี้เป็นอุบายโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยมันจะชินชานะ ชินชากับความจำเจซ้ำซากอย่างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนานบางครั้งสามีก็เบื่อภรรยาภรรยาก็เบื่อสามีชินชาในความดีแต่ถ้าห่างกันบ้างบางครั้งก็จะเริ่มเห็นความดีซึ่งกันและกันเส่บางครั้งาเกินไปแล้วบางคนก็เลิกกันไปก็มีถึงจะมาเห็นคุณค่าตอนที่ยังอยู่ด้วยกันอย่างอัตมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็อดอาหารล้างพิษ ทำให้อดมาเห็คุณค่าของอาหารมากเลยเพราะโดยธรรมดาเนี่ยอาหารที่ล้างพิษเนี่ยเราแทบจะไม่ตักเลยละ่ะแต่จะเลือกตักอาหารที่เราชอบตามกิเลสเราอาหารล้างพิษมีอะไรมีกล้วยเขาให้กินกล้วยคนหนึ่งไม่เกินสองใบแก้วมังกรคนละชิ้นแล้วขา้าวข้าต้มที่ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะเข้าต้มชาาเล็กๆเข้าต้มจืดๆทองต้มคนละชิ้น แต่ทุกชิ้นที่กินเข้าไปเนี่ยเรากินด้วยความหิวนะเราจะเห็นว่ามันอร่อยมากพักทองต้มอร่อยจริงๆเลยกล้วยหนึ่งบะกล้วยก็อร่อยทุกคำแต่คุณค่าตอนที่เราเนี่ยคยหาอย่างลูกเนี่ยบางทีอยู่กับพ่อแม่หรือพ่อแม่เอาใจเนี่ยอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากได้มือถือก็ซื้อให้อยากได้ตังก็ให้อยากกินอะไรก็พ่อแม่เ็คนเลี้ยงลูกตามใจ ลูกมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ให้เพราะเป็นหน้าที่จะต้องให้เราบางครั้งก็ไม่ค่อยสำนึกเปนบุญคุณเท่าไหร่หรอกแต่เมื่อลูกเนี่ยมีครอบครัวมีลูกเองแล้วก็ต้องหาเงินด้วยความยากลำบากตอนนี้จะเริ่มเห็นคุณค่าของเงินแล้วจะเริ่มสำนึกบุญคุณกับพ่อแม่อันนี้เป็นทุกคนนะเพราะบางทีเราชินชาวความดีของคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราคิดว่าเขาต้องทําเพราะเป็นหน้าที่ อย่างพระในวัดเนี่ยก็จะคิดว่าโรงครัวมีหน้าที่ทำอาหารเรากินหน้าที่โรงครัวจะต้องเป็นหน้าที่บางครั้งเราก็เพิกเฉยไม่รู้บุญคุณก็มีหรือโยมมีหน้าที่ต้องเลี้ยงเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเราเข้าใจตรงนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำหน้าที่เราเหมือนกันทาหน้าที่ถูกต้องทุกคนมีหน้าที่หมดอย่างอาจารย์ภยสารท่านก็เคยพูดว่าแมวสอนทำเพราะนิสัยแมวเนี่ย เราช่วยอะไรเนี่ยเราจะหวังผลตอบแทนบุญจากเขาจากจากแมวไม่ได้เลยเพราะแมวมีความรู้สึกคนต้องเลี้ยงเขาต้องเอาใจเขาซึ่งพี่กับหมาหมาเนี่ยเราให้อาหารเขาเนี่ยเขาจะสํานึกบุญคุณเวลาเจ้าของย้ายบ้านหมาก็จะไปด้วยแต่แมวไม่ไปแมวจะติดบ้านแมวจะไม่ค่อยรู้บุญคุณของเจ้าของเท่าไหร่ถ้างานการเลี้ยงแมวก็สอนทําเราได้สอนทําให้ช่วยคนเนี่ยให้ใครยืมตังไป หรือช่วยคนที่เดือดร้อนเราก็อย่าอยาหวังบุญคุณจากเขาว่าเขาต้องตอบแทนบุญคุณเราหรือมากดังที่เราคิดก็ให้นึกว่าเราเลี้ยงแมวแล้วกันบางีช่วยเหลือคนอื่นช่วยแล้วก็ไม่ลืมแต่คนอื่นเนี่ยมี ม, มีบุญคุณต่อเราช่วยเหลือเราเราต้องไม่ลืมเขานะเรามีโอกาสเราตอบแทน บ, บุญคุณที่คนที่ช่วยเหลือเราอันนี้เ็นความคิดถูกต้องเพราะฉะนั้นสามีดีกับภรรยาเนี่ยร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ภรรยาก็เบียคุณค่าหรอก แต่เมื่อวันไหนสามีขัดใจด่าภรรยาหรือทะเลาะเบาแหวงกันอันนั้นแหละภรรยาจะจำไม่ลืมเลยโดยธรรมชาติคนเราจะคิดเรื่องลบไม่เคยคิดเรื่องบวกลูกก็เหมือนกันพ่อแม่ดีกับลูกพันครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งลูกก็ไม่ค่อยสํานึกแต่วันไหนพ่อแม่ดูด่าลูกลูกจะจําจไม่ลืมเลยถ้าหนักกว่านั้นบางทีฆ่าตัวตายก็มีประชดพ่อแม่เราจะเห็นข่าวนั้นตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อย เพราะคนเหล่านี้ไม่เข้าใจธรรมะอย่างพวกญาติธรรมมามาวัดเนี่ยจะได้เปรียบคนข้างนอกได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมคือมาเสริมธรรมเสริมปัญญาแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไม่ต้องไปหวังผลจนสูงแบบประโพิภาหรอกเอาแค่เราอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขเข้าใจตัวเองเข้าใจลูกเข้าใจสามีเข้าใจภรรยา ทำให้ครอบครัวมีความสุขอันนั้นก็เป็นธรรมะแล้วถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าเราก็ตอบแทนบุญคุณท่านเลี้ยงดูท่านไม่ไปทําให้ท่านเสียใจเราก็เป็นลูกที่ดีกตัญญูถ้าทํานี้ได้ชีวิตเราก็มีความสุขบุญกุศลต่างๆจะเข้ามาในชีิตเราเองเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงนี้ชีวิตเราก็มีปัญหาหมดแหละเต็มด้วยความขัดแย้งทั้งครอบครัวพอครอบครัวขัดแย้งไปทํางานก็ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานต่อเพราะเราไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เพราะโลกธรรมเนี่ยมีลาบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีเสด็เสื่อมีดินทาไม่อยู่ในอำนาจการควบคุองของเราบางวันฝนก็ตกทั้งวันบางวันแดด ก, ก็ร้อนบางวันยุงก็มากบางวันสัตว์ก็กวนบางทีคนก็มาขัดใจเราบางทีเรามีของก็ถูกขโมยบ้างทำหายบ้างก็มีอยู่ๆคนก็มาดินทาเราโดยเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็มี หรือคนอยู่เท้าเราทุกก็มีโลกธรรมเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถวางใจแม้ทุกข์กับโลกธรรมได้คืออะไรเกิดขึ้นเราก็ยอมรับไปเป็นเชนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็สามารถใช้วิวอยู่กับโลกธรรมได้โดยที่ไม่ทุกข์ถึงทุกข์ก็ทุกข์น้อยอัดมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไป ที่สิ่งใดถูกต้องก็ขอให้สมบาดนาขอจบลงแค่นี้